เพื่อนยายกองทัพไปตอนไหนนี่เชิดบุตรร้องถามขึ้นพรานคู่ใจของรพินทั้งสี่คนสั่นหัวอย่างอัดอั้นตันใจพวกของจันก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนายทหารจันเป็นคนตอบก็นั่งสูบบุหรี่กินข้าวแฝกันอยู่ตรงริมหน้าผานี่ตลอดเวลาแลนะนายทหารแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรของพวกมันเลยนานๆก็ส่องไฟลงไปดูสักทีนะึง ครั้งแรกๆ ก, ก็ยังเห็นพวกมันอยู่กันเต็มพอพี่คำส่องดูเป็นครั้งสุดท้ายก็พบว่ามันไปกันหมดแล้วตาข้างล่างไม่ได้ลั่นให้ยินสักกริปเดียวตอนที่มันเคลื่อนขบวน ล, ล่าถอยไปเหมือนเหมือนกับตอนที่มันย่องล้อมเงียบเข้ามาอย่างนั้นแหละมาก็มาเงียบทวจเดียวถึงตัวเลยเวลาจะไปก็ไปเงียบเหมือนเหาะหรือหายตัวไปนี่แน่ใจไหม พวกมันถอยไปหมดแล้วไม่จะทําอุบายหลบเข้าไปในป่าหลอกให้เราลงไปแล้วก็พลวนออกมานะแตนลีถามขึ้นอย่างคลางแคลงใจนี่ก็ใกล้สว่างเต็มทีแล้วละ่ะนายห้างบุญคำเป็นคนตอบแง้มมองดาวรุ่งทางด้านตรงข้ามกันหน้าผาอันกำลังแตะแติดอยู่กับยอดไม้ใหญ่เบื้องล่างลงไปพวกมันไปกันหมดแน่แ คงไม่สุ่มอยู่อีกแล้วมาบุญคำจะร้องเองขาดคำแกก็ประทับไรเฟินประจำมือขึ้นร้องบอกพวกลูกหาที่หลับหลับตื่นตื่นอยู่ในเวิร์กถ้าให้รู้ว่าจะทดลองยิงปืนเพื่อป้องกันพวกนั้นตกใจแล้วก็สัดกระสุนขึ้นฟ้าเสียงคลืนสนันหวั่นไหวกล้องไปทั้งภูเขาสะท้อนไปมา ข้ามกลางความเงียบคงมีแต่กลางวานกำปันนาศกระสุนขนาดหนักเท่านั้นที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกอ น, นูของบรรยากาศยามใกล้รุ่งไม่มีเสียงช้างร้องหรือเสียงของการเคลื่อนไหวใดๆเลยเห็นไหมนหายห้างเงียบเป็นเปล่าซากเลยแต่พวกมันยังซุ่มอยู่ใกล้ๆก็คงแตกตื่นเคลื่อนไหวให้เราได้ยินหรือส่งเสียงร้องขึ้นบ้างแล้ว แต่นี่ไม่มีอะไรเลยรับรองพวกมันถอยไปไกลแล้วคือนี่มันเอาเราแข่นี้แหละกะเหยียบแหลกถ้าไม่ใช่ว่าเราเตรียมทางหนีกันไว้ก่อนแล้วน่ะเสียงปืนก็ดังไปไกลมากนะ่ะอิสเบนเอ่ยขึ้นอ่อยๆนี่ธารพินอยู่ที่ใดที่หนึ่งในละแวกสองสามหม่นี่เขาก็ควรจะได้ยิน แลวควรจะให้สัญญาณยิงตอบรับเรามาเอาละฉันจะนับหนึ่งถึงสิบช้าๆรอดูสิเผื่อจะได้ยินเสียงปืนตอบจากเขามาั้งแล้วหล่อนก็นับทอดจังหวะจากหนึ่งจนครบสิไม่มีเสียงปืนหรือเสียงสัญญาณใดๆตอบรับมาจากคนชื่อรพิงไพรวัน ที่คณะพักทุกคนเป็นห่วงถึงอยู่ในขณะนี้เลยกลุ่มนายจ้างมองหน้ากันเองไปมาแตนลีหันไปทางบุญคำถามเสียงแผ่วต่ำว่าบุญคำเอาไงดีเนี่ยตอนนี้ช้างผีพวกนั้นก็ไปกันหมดแล้วนะบุญคำว่ารอให้ขว้าสว่างสักนิดนะึ่งแล้วเราค่อยลงไปจะดีกว่านะ นี่แต่ฉันใจเย็นอยู่ไม่ไหวเลยนะบุญคำผู้ที่โผล่ขึ้นมาคือแม่ผมทองคริสติน่าใครคิดจะรอให้สว่างซะก่อนก็ตามใจแต่ฉันจะลงละ่ะอย่างน้อยที่สุดก็จะลงไปดูตรงตำแหน่งที่ระพินเคยนอนอยู่เพื่อรู้ชัดเอาไปเลยไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นคริสติน่าไม่สนใจกับใครอีกทั้งสิน้นขยับจะไต่หน้าผาลงไปทันที สเตนลีย์ผู้ยืนอยู่ใกล้ที่สุดคว้าแขนไว้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคริสถ้าเราจะลงไปก็ลงไปพร้อมกันทั้งหมดนี่แหละเว้นแต่พวกลูกหาบให้เขารอยอยู่บนนี้ก่อนถ้าลงไปคนเดียวไม่ได้ว่าแล้วก็หันมาทางพักพวกถามว่าอ่ะว่าไงขอเสียงส่วนมากใครคิดว่าควรจะลงไปซะเดี๋ยวนี้เลยบ้างล่ะผมว่าคริสตัดสินใจถูกแล้วนะ เชิดวุฒบอกมาโดยเร็วอ้าวทางนั้นลงก็ลงอิสเบรก็คิดสนับสนุนมาเป็นเสียงเดียวกันพวกเราจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วพวกบุญคำํำนะจะว่าไงสเตลีถามทันทีทางด้านพวกของบุญคนะําน่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกไนห้างลงพวกเราก็ลงได้อตกลงเอ้กันเดี๋ยวนี้เลยเลยขอให้สั่งมาเท่านั้นแหละ เดี๋ยวนี้เราต้องการให้บุญคำนำเราไปดูตรงตำแหน่งที่เคยเห็นฐานใหญ่นอนอยู่คริสติน่าบอกด้วยน้ําเสียงเด็ดเดี่ยวจริงจังพวกนายห้างพร้อมหรือยังละ่ะถ้าพร้อมก็ลงเลยทุกคนตรวจปืนไฟฉายและอุปกรณ์จำเป็นประจำตัวแล้วบอกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าพร้อมแล้วบุญคำก็หันไปตะโกนบอกนายตาบหัวหน้าลูกหกับ เฮ้ยตามเอ็งกับพวกนี้เนี่ยอยู่บนนี้ก่อนไม่ต้องตามลงไปด้วยหรอกพวกข้าจะพาพวกเจ้านายลงไปสำรวจข้างล่างนนทนแต่ถ้าได้ยินเสียงปืนก็ระวังตัวคุ้มเชิงไว้เฉยเฉยอย่าืกยิงลงไปหรอเดี๋ยวกระสุนถูกกันเองเขาัาขอส่องไฟไว้แล้วกันหัวหน้าลูกหากรับคำเมื่อนั้นเอง บุญคำก็เริ่มนำลงจากหน้าผาที่ไตหนีกันขึ้นมาเป็นคนแรกถัดมาก็เป็นจัน์เกิดแล้วก็เสยตามลำดับโดยกลุ่มทานร่วงหน้าลงไปก่อนต่อมาจึงเป็นเชิดบุตรและฝ่ายของนายจ้างซึ่งไตเรียงกันลงไปติดๆถ้ามันแปรนก็ามาอีกก็อย่าลงทิศวิ่งกลับขึ้นมาทางเดิมก็แล้วกันนะนายห่างทั้งหลาย เสียงบุญคำร้องบอกซักซ้อมขึ้นมาไม่ต้องห่วงรอกลุงคำพวกเรานะี่ยจำทิศทางได้แม่นยำดีแล้วเชิดบุษต่อพวกลูกหาพลูกันออกมายืนอยู่ตรงหน้าผาริมทางลงแล้วช่วยกันส่องไฟฉายให้ชั่วไม่นานบุญคำก็นำทุกคนมาถึงบริเวณที่ตั้งแคมป์อีกครั้งต่างหันหลังชนกัน ปืนระวังเตรียมพร้อมกราบไฟฉายไปรอบรอบทิศเอไอผีดิบพวกนั้นมันหายไปไหนหมดวะก็จำได้ว่ายิงร่วงลงมาจากหน้าผาหลายตัวนะแล้วลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นข้างล่างไม่กระดิกกระดี้อ่นน่ะเนี่ยเชิดวุธร้องขึ้นด้วยความแปลกใจก็ตอนกองทัพช้างมันถอยอ่ะ มันก็คงจะหิ้วของไอ้ซ า, ากนรกพวกนั้นไปกำมันด้วยละนายทหารไม่ต้องสงสัยอะไรหรอกแค่เอางวงรัดหิ้วไว้เท่านั้นมันไม่ทิ้งไว้เป็นพยานหลักฐานให้เราเห็นหรอกถึงแม้ซากที่ถูกยิงพวกนั้นจะใช้การอีกไม่ได้แล้วก็ตามพวกมันก็คงจะเอาไปซ่อนซะดูดิแม้กระทั่งไอตัวขาดครึ่งท่อนไกล้ตัวที่คลานลากขาที่มันโยนเข้ามากลางปางพักเราครั้งแรกก็ไม่เหลือพวกมันหิ้วไปหมด ตะพานเท่าบอกพร้อมกับกราบไฟฉายไปยังตำแหน่งที่ซากผีดิดหมื่นปีสองตัวแรกที่ถูกเหวี่ยงเข้ามาและเชิดบุตรกระจันยิงกระหลกแหว่งวิ่นหักขาดกระเด็นนอนกลิ้งอยู่ก่อนที่กองทัพช้างจะบุกเข้ามาเพียงไม่กี่อึดใจปรากฏว่าทั้งสองซากนั่นก็พลอยหายไปด้วยกระโจมพักที่กลุ่มนายจ้างเคยอาศัยนอนอยู่ถล่มลงมากองอยู่กับพื้น ผ้าใบและผ้าพลาสติกถูกฉีกขาดย่อยยับไม่มีชิ้นดีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่หลงเหลืออยู่โดยที่ควา้าหนีขึ้นมาไม่ทันเป็นต้นวา ก, กาน้ำขวดพลาสติกและแตะเกียงแบตเตอรี่ที่จุดไว้หนึ่งดวงแบนตะแตะจำรูปทรงเดิมไม่ได้ส่วนกองไฟที่ดับหมอดสนิทไปนั้นภายหลังจากตรวจ ด, ดูก็รู้ว่ามันใช้วิธีกระชากฟืนออกจากการวางสุมกันไว และใช้งวงปัดฝุ่นกะหินลูกรางข้างเคียงโกยมากลบสิ่งที่พวกมันไม่อาจเคลื่อนย้ายออกไปได้ก็คือซากของพวกมันเองซึ่งแต่ละตัวล้วนแต่มหึืมาทั้งสิ้นนอนกลิ้งและฟุบกันอยู่ในลักษณะต่างๆรอบด้านไปหมดแทยนนับกันไม่ท้วนทั้งกลางบริเวณแคมป์และริมชายป่านับตั้งแต่กระสุนนัดแรกได้ระเบิดขึ้นเลือดนองไปหมด กลางบริเวณที่พักอันเป็นพื้นโลกมีรอยหลุมระเบิดเป็นหย่อมๆเกิดจากอำนาจของระเบิดมือทั้งแบบทำลายและแบบสังหารที่เชิดวุธกระคิดเหวี่ยงลงมาฝ่ายนายจ้างทุกคนรีตาลงอย่างสยองใจถ้าเคลื่อนย้ายตัวเองหนีไม่ทันทุกคนบอกได้ทันทีว่าร่างกายจะกลายเป็นเศษเนื้อในสภาพเช่นไร แม้แต่กระดูกก็คงจะไม่เหลือให้จำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์เพราะบาทานับไม่ถ้วนที่เหยียบย่ำเข้ามาเหล่านั้นนี่ทำไมได้ชัยภูมิที่พักตรงนี้และเตรียมทางหนีทีไล่ไว้ล่วงหน้าคืนนี้พวกเราไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวสแตนลีย์ครางออกมาระหว่างที่ทุกคนยังมองสำรวจไปยังบริเวณโดยรอบ คริสติน่าฉายไฟเดินดิ่งตรงไปยังปากทางด่านที่จะนำไปยังลำธารเบื้องล่างตำแหน่งที่หลอนเคยจำได้วรพินไทรวันนอนอยู่ตรงนั้นทันทีบุญคำวิ่งตามหลังมาติดๆพักพวกทุกคนก็เลยออกตามมาเป็นพรวนเดียวแมงให้บุญคำน้ำดีกว่าสมุนขวาของพรานใหญ่ร้องบอก แล้วแล่นแสงหน้าแม่ผมทองขึ้นไปทันทีโดยนำตรงไปยังโขดหินใหญ่บริเวณที่เจ้านายของแกมายึดนอนพร้อมทั้งกราบไฟฉายนำเข้าไปก่อนนั่นไงกระสอบร้องนอนกระเป้หลังของนายยังวางอยู่ตรงนั้นไงบุญคำอุทานลั่นออกมาคริสตินาเข้าถึงเป็นคนแรกและมายืนชะงักอยู่ตรงนั้นกว่าตาไปรอบๆ อึดใจเดียวพรานพื้นเมืองอีกสามคนและพรรคพวกก็เข้ามาถึงบริเวณพร้อมกันหมดความเงียบบกคลุมไปชั่วขณะหลักฐานเท่าที่จะเห็นได้ก็มีเพียง 1. กระสอบป่านหนึ่งใบสำหรับปูนอน 2. แจ็กเก็ตฟีนหนึ่งตัวลักษณะสำหรับผมและ3ย่ามหลังของระพิน สิ่งที่หายไปพร้อมๆกับตัวเขาก็มีเพียงไรเฟิลประจำมือและไฟฉายเท่านั้นและตำแหน่งนั้นก็ดูน่าอัศจรรย์อยู่เพราะไม่มีร่องรอยของโขลงช้างที่ยกกันมานับไม่ถ้วนเข้ามายุ่มย้ามเลยเพราะฉะนั้นย่ามหลังของระพินจึงวางอยู่ในสภาพปกติไม่ได้ถูกเหยียบย่ำทำลายและลักษณะการวางก็วางอยู่ในสภาพอันปกติ ควรเป็นอยู่คืออยู่บนกระสอบป่านใช้ปูนอนลักษณะแทนหมอนหนุนบุญคำคนที่ย่ามหลังของพรานใหญ่สิของใช้ประจำตัวที่บรรจุอยู่ข้างในของเขายังอยู่ปกติหรือเปล่าหรือมีอะไรหายไปบ้างสเตลลีสั่งการโดยเร็วบุญคำกับจันก็โดดเข้าไปเปิดย่ามหลังของเจ้านายช่วยกันคน้นของจุกจิกเล็กๆน้อยๆ ที่มักจะบรรจุอยู่ในย่ามของระพินครบถ้วนทุกอย่างลูกปืนไรเฟิลอะไรหนึ่งกล่องลูกปืนลูกลูกปืนสั้นลูกโม่ขนาดจุด44แมกนัมหนึ่งกระบอกกล่องยาชุดจำเป็นสำเร็จรูปเสื้อผ้าหนึ่งชุดชุดเรชั่นพอจะกินได้ประมาณสามมือ้อแผนที่ซึ่งได้รับแจกจากฝ่ายนายจ้างและเครื่องรับส่งวิทยุมือถือขนาดเล็กของฝ่ายนายจ้าง ที่มอบไว้ให้ใช้ประจำตัวและเชือกไนลอนยาวประมาณสิบเมตรทุกอย่างน่าจะอยู่ครบและนายห้างไม่มีอะไรขาดหายไปหรอกเสียงจันร้องบอกมาไม่มีรอยช้างบุกเข้ามาที่นี่เลยสักตัวด้วยนะนายห้างเกิดผู้ส่องไฟสำรวจบริเวณรอบๆ บ, บ, บอกมาอีกคนหนึ่งอ่ะและมีอะไรติดตัวเจ้านายของพวกเธอไปบ้างนี่อิสเบลถาม ก็มีไรเฟิลบอกนึงมีดที่ติดเอวแกอีกเล่ม น, นึงไฟฉายอีกท่อนกระเพ้าข้ามาอีกผืนนแล้วก็ชุดที่แกใส่อยู่นั่นแหละเสยบอกด้วยความชํานาญและคุ้นเคยทั้งนั้นก็แปลว่าเขาได้ลุกขึ้นจากที่เคยนอนอยู่นี่โดยเจตนาและรู้สึกตัวก่อนที่จะเดินหายไปไหนสักแห่งหนึ่งจะด้วยสายเหตุอะไรก็ตามแต่เป็นการลุกขึ้นอย่างกระทันหันและรีบด่วน ถ้ามิฉนั้นก็จะต้องเอาย่ามหลังและเครื่องนอนของเขาไปด้วยคิดให้ความเห็นขึ้นอย่างนักสอบสวนสืบสวนอะไหนเชื่อกันตรวจด้วยรอบๆสิเราน่าจะได้ร่องรอยอะไรเพิ่มเติมนะหัวหน้าคณะสั่งการมาอีกอย่างเร่งรีบทั้งหมดขยายวงล้อมที่รวมกลุ่มกันอยู่ออกไปในรัศมีห่างทันทีแล้วฉายไฟไปตามพื้นและพุ่มพงที่แวดล้อมอยู่ ใจเดียวบุญคําผู้รู้อุปนิสัยและแนวทางของเจ้านายของตัวเองดีอยู่แล้วก็ร้องเอะอะขึ้นว่าหนี่ยังไงได้เท้าแล้วได้เท้าแล้วนายห้างทุกคนหันขวับและพลู ก, กันเข้ามาสิ่งที่บุญคําชี้ให้ดูก็คือรอยของยอดผู้ไม้เล็กๆที่ถูกหัดเอาไว้แล้วชี้ทิศไปทางด้านทิศใต้หมายมความว่ายังไงนี่บุญคา คริสติน่าถามเสียงเร็วปรือนายนะ่ะเป็นหักคนหักกิ่งไม้นี่ไว้เองชี้ปลายหักบอกทิศทางไว้ให้แก่พวกของบุญคําว่าแกบ่ายหน้าไปทางไหนถ้าเราตามรอยไปประเดี๋ยวก็จะพบรอยที่นายหักกิ่งไม้เล็กๆทิ้งไว้ดูนี่เป็นระยะระยะทีเดียวแบบนี้ก็ตามกันได้แล้วสบายมากแต่ตามไปแล้วจะพบนายสบายหรือไม่สบาย บุญคำก็บอกไม่ถูกเหมือนกันน่ะเราก็รู้กันแน่แน่แล้วว่านายรพินออกเดินจากที่นี่จากที่แกนอนไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งก่อนที่โครลงช้างจะบุกพวกเราทางด้านแคมป์สแตอร์ลีผู้รอบคอบรีตาลงอ่านรหัสจากหลักฐานนั้นถ้างั้นมันก็แปลว่าราพินคงจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งโดยคิดว่าตัวเองจะไปไม่ไกลนะ เพไม่ ง, งั้นก็น่าจะเอาเป้หลังไปด้วยนี่เขาคว้าเฉพาะปืนประจำตัวกระไฟฉายไปอย่างเดียวเท่านั้นก็จะต้องมีจุดบันดาลใจอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนที่ทําให้เขาลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็ผลักไปอนส่วนการหักกิ่งไม้ทําสัญญาณไว้นั่นก็คงเป็นสัญชาตญาณเคยชินของเขานั่นแหละที่จะทิ้งไว้เป็นหลักฐานให้ลูกน้องรู้ทิศทางบุญคําพอจะกะเวลาได้ไหม ว่าเขาหักกิ่งไม้เล็กๆไว้นั่นนานสักเท่าไหร่แล้วปะพรานเท่าเข้าไปเอาไฟฉายส่องดูอีกครั้งตรงรอยที่ยอดพุ่มไม้เล็กๆถูกหักพับไว้พิจารณาดูความเก่าความใหม่แล้วก้มลงไปตรวจรอยเท้าซึ่งพักพวกคนอื่นช่วยฉายไฟส่องให้สว่างจ้าไปหมดก็ประมาณไม่น่าจะเกินสามชั่วโมงนี่เองดูจากรอยยางไม้นี่ก็ คงจะก่อนหน้าช้างบุกเข้ามาแค่ไม่แค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละตาวยังไม่ทันจบประโยคดีแกก็ออกสาวรอยไปในระยะสั้นๆยังพงรกที่จะเข้าป่าเถาวันแล้วร้องบอกมาอีกว่าพบอีแล้วนายห้างพรานใหญ่หักไว้เป็นกิ่งที่สองรับรองว่าแกจะต้องหักละไวเป็นเครื่องชี้ทางไปทุกระยะนั่นแหละแต่เดี๋ยวก็เจอแน่ ตามหลังบุญคำาหอะหวังว่าเราคงจะเจอเขาในสภาพที่ยังมีลมหายใจอยู่นะคริสติน่าพูดเสียงสั่นเครือทุกคนเงียบกริบไปอีกครั้งเดินสองไฟเรียงสองเดินตามหลังบุญคำกระจันที่ออกนำาลิ้วไปทันทีราวกะหมาไล่เนื้อตามแนวทางที่ระพินผู้สาบสูญไปอย่างลึกลับเริ่มจะรุกชัดด้วยผงไม้ และเถาวันเพิ่มมากขึ้นทุกขณะพื้นดินแห้งแข็งยากที่จะหารอยเท้าได้นอกจากกิ่งไม้แห้งหล่นอยู่กับพื้นที่มีรอยถูกเหยียบหักเอาไว้บ้างบางแห่งนอกจากกิ่งไม้แห้งหล่นอยู่กับพื้นที่มีรอยถูกเหยียบหักไว้บ้างซึ่งถ้าไม่ใช่สายตาของพรานจริงๆก็จะสังเกตไม่ได้บุญคําทําหน้าที่ตรวจเฉพาะพื้น ส่วนจันทาหน้าที่ค้นหารอยหักของกิ่งไม้สดตามพุ่มพงที่ผ่านไปซึ่งก็เป็นจริงดังว่าต่างพบไปทุกระยะทุกคนหัวใจเต้นแรงและไม่พูดอะไรกันโดยไม่จำเป็นเลยภูมิประเทศยิ่งรกและยิ่งเป็นหนทางที่ไต่สูงขึ้นตามลำดับลักษณะขึ้นเขาทางด้านใต้อันเป็นแนวขนานเลียบไปกับสายลาธาร ที่ไหลผ่านที่พักตอนล่างนั่นเองพื้นกรวดดินบางแห่งมีรอยถูกเหยียบพลิกไว้ลักษณะของก้อนหินพลิกบุญคำพูดตรวจนำไปเบื้องหน้ายืนยันได้ว่ามันไม่นานมานี้นะแม้จะเป็นเวลาใกล้รุ่งบรรยากาศในป่ารกคึบก็ยังมืดสนิดและปกคลุมไปด้วยละอองหมอกค่อนข้างหนาทึบหนาวเยือกเย็นสะท้านเข้าไป จนถึงกระดุกแต่ยามนี้กลุ่มนายจ้างและพลานทั้งสี่คนไม่มีใครรู้สึกหรือคำนึงถึงทุกคนแยกความคิดกันไปต่างๆนาน า, นาแต่ที่ตรงกันอยู่ภายในก็คือภาวนาภาวนาขอให้ตามพบระพินไพรวันในสภาพที่ยังค ง, งชีพอยู่เท่าการสาวรอยเป็นไปอย่างเงียบกริบแผ่วเบาที่สุด โดยไม่พยายามให้เกิดเสียงกระโตกกระตาขึ้นเลยคริสติน่าและเชิดบุชจี้ติดหลังบุญคำเพื่อจะเห็นร่องรอยต่างๆเท่าที่จะพบได้ก่อนบุคคลอื่นส่วนสแตนลีย์คีดและเบลเดินคล้อยไปทางเบื้องหลังปืนในมือพร้อมสำหรับจะรับหน้ากับอะไรก็ตามที่มันอาจจะผุนผันจู่โจมเข้ามาอย่างไม่ใช่มิด ส่วนจันทําหน้าที่คุมหลังอยู่ท้ายขบวนติดตามรอยหักยอดหล็ดไม้เล็กๆซึ่งเป็นสัญญาณชี้ทางเริ่มจะเว้นห่างเหมือนบันไดไต่สูงขึ้นไปสู่ที่สูงชันบริเวณหนึ่งรอยกิ่งไม้หักหรือร่องรอยอื่นๆก็สังเกตได้ยากซะแล้วนะักที่นี้บุญคำเริ่มยืนงงพยายามฉายไฟตรวจ ด, ดูไปรอบๆ พื้นบริเวณนั้นเป็นหินดานแข็งกระด้างปราศจากพุ่มไม้เล็กมีแต่ต้นไม้ใหญ่ยืนต้นที่ขึ้นหนานแน่นเบียดเสียด ร, รอยของพรานใหญ่หายไปซะแล้วใช่ไหมบุญคำคริสตินา่ากระซิบถามจ้องหน้าแกในเงามืดตาเท่าเอามือเกาหัวอันมีเส้นผมขอดติดหนังหัวของแกแล้วบ่นกับตัวเองเบาๆเอพี่จะตามผิดทางว่ะ ก็ไอ้รอยหินพลิกครั้งสุดท้ายมันน่าจะบอกได้ว่านายายหน้ามาทางนี้นี่นะลุงคำภูเขามันกั้นหน้าเราอยู่ขนาดนี้นะลูกมันก็มีอยู่สี่ทางเท่านั้นแหละคือหนึ่งเราแกะรอยผิดสองแกะรอยมาถูกแล้วแต่เราพิงแยกไปทางขวาอ้อมไปตามลิตินเขาสาม อ้อมเลาะไปทางซ้ายมือแล้วก็สี่ไปเขาขึ้นไปพิจารณาดูให้ดีสิลูกมันจะอยู่ในข้อไหนเชิดบุตรพูดแผวตันระหว่างที่พรานเท่าพยายามก้มลงตรวจ ด, ดูตามพื้นอีกครั้งสยก็ใช้ไฟขึ้นไปตามแนวอันสูงชันของเขาแล้วไตขึ้นไปทันทีตรงไปยังต้นกระบากใหญ่ต้นหนึ่ง ที่งอกรากโลพ้นหินปนดินขึ้นมาจากนั้นก็หันขวักลงมากระดดกลัำไฟฉายเรียกบุญคำคริสและเชิดบุตรก็ไต่ตามขึ้นไปทันทีที่รากใหญ่ของกระบากต้นนั้นมีรอยของมีดฟันถากไว้ให้เห็นชัดเอนายไต่ขึ้นเขาทางด้านนี้แฮะแกตามอะไรของแกกันเนี่ย รู้ว่าจะไปไหนกันแน่เส้นทางของแกซอกซอนพี่ลึกยังไงชอบกดนเอาละด้การแล้วตามต่อไปลุงคำเชิดวุธบอกแล้วใช้สัญญาณไฟเรียกพักพวกด้านล่างที่มายืนแงนมองอยู่ให้ไต่ตามกันขึ้นมาห้าสิบเก้า สำนึกแรกที่กลับคืนมาสู่สมองอันมึนพร่ามึนงงไปหมดในขณะนี้ระพินไพรวันไม่อาจบอกได้ถูกว่าเขาอยู่ในภาวะใดยังมีชีวิตร่างกายอยู่หรือเหลือแต่วิญญาณแล้วเราเป็นใครกำลังทำอะไรแล้วอยู่ที่ไหนนี่คือคำถาม ท, าที่ตั้งขึ้นอย่างวกบนแล้วก็ตอบตัวเองว่าชื่อระพิน สกุลไพรวันอาชีพพรานปลาอยู่หนองน้ำแห้งมีแม่ผู้ชาราแล้วอยู่ในเขตอำเภอจำได้อยู่สี่อย่างเท่านั้นเองในภาวะนี้ต่อมานามหนึ่งก็ผุดขึ้นอีกด้ารินวราริศใครแล้วใบหน้าหนึ่งก็ผุดรางๆขึ้นในจินตนาการค่อยๆเด่นชัดขึ้นทุกที กำลังมองนิ่งมาที่เขาด้วยดวงตาอันคลอหยาดน้ำคุณหญิงเขาเปล่งเสียงออกไปพร้อมกับขยับไหวกายแล้วก็พังหะหลังลงไปในลักษณะเดิมคราวนี้ความรู้สึกทางอินทรีย์เริ่มเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับปวดหนึบที่บริเวณศีรษะและเต้นต้นคอเป็นจุดหมายแรกต่อไปก็กระจายความเคล็ด ขัดย่กไปทั่วตลอดสารพางกายจนตนเองต้องกัดฟันและออกเสียงครางเบาๆโดยไม่ได้ตั้งใจมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดเหมือนฉากอันดำสนิทดวงตาจะปิดหรือเปิดไม่ทราบได้แต่ถ้ามันรู้สึกถึงความเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วองค์ขาพยบเช่นนี้มันก็น่าจะแปลว่า เขายังมีชีพชนอยู่แต่กำลังทรมานยิ่งพยายามนอนนิ่งที่สุดไม่ขยับเขยื้อนไหวติ่งเลยสภาพที่แรกเริ่มรู้สึกว่าตนเองอยู่ในภาวะใดก็ปล่อยให้อยู่ในภาวะนั้นก่อนภาพใบหน้าของสตรีอันเป็นสุดที่รักผุดรางรางขึ้นอีกดูเหมือนหล่อนขยับกริมฝีปากจะพูดอะไรกับเขา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 นอกจากเสียงที่เหมือนจะกระซิบซ้ำๆอยู่ริมหูว่าสิบมีอาจารย์สิบมีอาจารย์ก ร, ระพินไทรวันเริ่มสำนึกในลมปราณของตนที่ระบายเข้าออกทางช่องจมูกและปากในอันดับต่อไปใช่แล้วเขายังหายใจอยู่แต่มันแผ่วผุยเหลือเกินขยับปลายนิ้วของแขนขวาก่อน กระดิกเรียกความรู้สึกไปทีละนิ้วทีละนิ้วครบหมดตั้งแต่หัวแม่มือจนถึงนิ้วก้อยแล้วดึงขึ้นมาครั้งแรกมันไปพันติดยุกสายอะไระชนิดหนึ่งที่รุงรังเกะ ก, กะเหมือนเชือกอันยุ่งเหยิงทดลองจับดูสัมผัสก็บอกได้ว่าเป็นเส้นของเถาวัน จึงค่อยๆดึงมือและแขนข้างนั้นออกมาในที่สุดก็นำมาวางบนอกได้อกซึ่งเจ็บและย่อเหลือประมาณต่อมาก็ส่งความรู้สึกเรียกไปยังแขนซ้ายรู้สึกว่ามันห้อยอยู่กลางอากาศไม่ได้ติดขับอะไรเลยจึงยกขึ้นมาวางไว้บนอกอีกครบหมดทั้งสองแขน อแข็งยังอยู่ยังไม่ได้ชำรุดไปทั้งสองข้างแม้จะระบมชาคราวนี้ก็พนมขึ้นเหนือสวงอกสกัดกั้นลมหายใจระลึกถึงพระเจ้าห้าพระองค์เป็นอันดับแรกแล้วก็บริกรรมพระเวทมหามนที่ร่ำเรียนมาเพื่อเรียกพลังและสะกัดกั้นความเจ็บปวดทรมานอยู่ในขณะนี้ ครบสิ้นเจ็ดค่ะก็ลูกฝ่ามือทั้งสองไปที่ใบหน้าสีสั่งต้นคอและบริเวณสวงอกแล้วสลับออกไปนอนนิ่งนิ่งสงบจิตคิดถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์อีกพักใหญ่ประสาทสัมผัสทุกส่วนที่อยู่ในภาวะมึนงงเลือนเลือนลางๆง ก็ค่อยๆกลับคืนมาโดยครบถ้วนความจุกเสียดเจ็บยออแทบว่าจะกระอักออกมาเป็นเลือดก็ค่อยๆทุเลาลงและบัตรนี้เขามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วเพียงแต่ยังไม่แน่ชัดเท่านั้นว่าอยู่ที่ไหนลืมตาขึ้นมันก็มืดมิดเท่ากับหลับตานั่นเอง แขนทั้งสองค่อยๆเ อ, อื้อมแตะพลัมไปเท่าที่รัดสมีจะเอื้อมถึงทางด้านซ้ายพบแง่หินอันตะปุ่มตะปำครุขระสาส่วนทางด้านขวาเป็นสายอันยืดหยุ่นของเถาวันราวกับใครมาถักไว้เป็นสายเปลยหรือกระเช้าบางแห่งก็แน่นหนาบางแห่งก็โปร่งบาง และพบช่องที่โปร่งว่างมีอากาศโล่งอยู่ภายใต้ถ้าขยับตัวพรวดพลาดในขณะนี้อาจจะหลุดจากตำแหน่งที่มันนอนงายค้างคาอยู่ร่วงลงไปอย่างด้านล่างซึ่งคเนยังไม่ถูกว่าลึกสักเท่าใดและมีอะไรรองรับอยู่บ้างหิวแน่ๆเขาหล่นลงมาในหิว ระดับที่ร่วงหล่นลงมาสูงเท่าใดไม่ทราบแต่แน่ละก่อนที่จะสิ้นสุดค้างร่างอยู่ตรงนี้ร่างกายจะต้องกระเด็นกระดนกระแทกแง่หินมาเป็นลำดับขาซ้ายพาดอยู่บนพื้นแข็งระดับไม่เสมอนั่นก็แปลว่าติดโขดหินขาขวาพาดอยู่บนเส้นประสานทันกันของเถาวัน ส่วนที่ต่ำกว่าเข่าลงไปนั้นห้อยอยู่กลางอากาศมันมืดมืดเหือเกินมืดชนิดมองอะไรไม่เห็นซึ่งถ้าขยับตัวไม่ถูกหลักผิดมุมผิดทิศทางแม้แต่นิดเดียวร่างกายอาจจะหลุดร่วงต่อไปจากตำแหน่งที่ขาค้างห้อยติดอยู่ สิ่งที่จะทำได้ในขณะนี้ก็คือใช้มือค่อยๆลูบคลำสำรวจไปตามร่างกายไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยแตกแต่บางแห่งบวมช้ำกระดูกส่วนใดก็ไม่มีการหักเว้นไว้แต่ว่าปวดหนึกและขัดเคล็ดไปหมดซึ่งอำนาจจิตอันแข็งกล้าของตนเองกำลังขมพิษทรมานนั้นลง ไปยังไงมายังไงกันนี่หว่าอาตมาก็าพึมพำออกมาจากลำคอซึ่งนั่นดูเหมือนจะเป็นเสียงประโยคแรกที่เปล่งแหบแห้งออกมาได้เป็นยังไงสบายดีหรื อ, อยังผู้กองมีเสียงทักไทยมาอีกคราวนี้กลัวไปกับอาการหัวเราะมันจะดังมาจากไหนก็ไม่ทราบได้ แต่ดูจะใกล้ๆตัวเขานี่เองสบายกระลิงอะไรอ่ะแทบจะกระอักเลือดออกมานี่เขาตอบออกไปแต่โธ่คนอย่างผู้กองไม่กระอักเลือดง่ายๆหรอกนะเนื้อหนังเดียวจะตายไปขนาดเลือด ก, ก็ยังไม่ออกสักหยุดเป็นคนอื่นนะมรณงสังโคดับจิตไปแล้วนี่รอยแตกสักนิดก็ยังไม่มี แค่โน่น่วมไปมั่งเท่านั้นเฮอ้อพลาดจนได้เหมือนกันนึกพี่เรานี่ไงท า, ายฉันได้ยินแต่เสียงของแกนะแต่ไม่หุนตัวแกอยู่ไหน <laughs> เสียงหัวเราะกังวานทุ้มแววมาอีกผมจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ผมควรจะอยู่นะสิ ที่ผู้กองได้ยินนะ่ะมันเป็นสับคอนเชีย่ยติตใต้สํานึกของผู้กองเองแต่หากเง้ซ้ายนะ่ะอยู่ถึงมรกตนะคอนุน่นจะมาพูดกับผู้กองในขณะที่นอนเปลกระเช้าอยู่กลางเหี่ลึกนี่ได้ยังไงจริงมะแ้่ถ้าสมมุติว่าผมอยู่ใกล้ๆผู้กองตรงนี้เออผมควรจะอยู่ที่ไหนล่ะเหาะอยู่กลางอากาศในเหีน่นี่เ น, นะหรือว่าเกาะเป็นตุ๊กแกอยู่ผนังถ้ำดี เงยซายรับผมไอ้บ้าอ้าวแล้วกันดา่าซะลวเอ้ผู้กองนี่ปากจัดไม่หายนะแม้กระทั่งประแงบปงางแงจะตายอย่างงี้ก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเก่าก็ฉันได้ยินเสียงของแกออกชัดชัดทั้งสองหูนี่ว่าเอาก็พูดเองตอบเองอะเพราะตัวเองจะเป็นระพินก็พูดอย่างระพิน เพราะคิดว่าแงายควรจะตอบยังไงก็คิดแล้วก็ได้ยินเอาเองอะถ้างั้นก็แปลว่าฉันนี่ใกล้จะตายแล้วใช่ไหมโอ้ยผู้กองผู้กองก็ตายมาตั้งห้าร้อครั้งแล้วตายไปทีไรกลับฟื้นมาทุกทีกรรมเก่ายังไม่หมดต้องชดใช้กรรมทรมานไปอีกนานให้ตายหาทีแงาย นี่ฉันไม่ได้พูดหรือเข้าใจเอาเองเลยนะฉันว่าฉันได้ยินเสียงแกออกชัดชัดเพียงแต่ยังลึกไม่ออกเท่านั้นน่ะว่าในภาวะเช่นนี้น่เสียงของแกลอยมาได้ยังไงไอ้จะว่าแกดับจิตไปแล้วแลวดวงวิญญาณของแกมาพูดกับฉันอีกมันก็ใช่ที่นะอ่าผูกกองลืมจะแล้วเหรอว่าเจ้าแง่ท้ายน่ะมันคนลึกลับมันก็คงลึกลับอยู่อย่างนั้นแหละ โอ๊ยไม่งั้นก็เสียบุคลิกของแง่ทรายหมดดิลองสันแดงตัยฉันเห็นหน่อยที่อ้าก็วากภาพผมขึ้นมาดิผู้กองแล้วผู้กองก็จะเห็นเองแหละเห็นในมโนภาพยังไงล่ะระพินนิ่งพยายามขจัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปและไม่สนใจที่จะนึกคิดถึงเจ้าคู่ปรับคู่มิตรเกา่าลำดับภาพ ทบทวนถึงสาเหตุว่าอะไรมันเกิดขึ้นในสภาพไหนเขาถึงได้มาตกอยู่ในลักษณะเช่นนี้ใช่แล้วเขากำลังตามรอยไอ้ผีดิบมันไรในซากใหม่มาอย่างหมายมั่นไรเฟิลและไฟฉายพร้อมอยู่ในมือแต่ว่าถ้าเห็นตัวถนัดเมื่อไหร่จะฉีกร่างมันให้ย่อยยับเป็นซีๆด้วยกระสุนยิงช้าง แต่เขาไม่ได้โอกาสนั้นเลยมันคอยหลีกหลบวิถีทางปืนไม่ให้จับเป้าหมายได้ถนักและล่อให้ตามมาทุกระยะขณะนั้นเขาลืงคิดถึงอะไรทั้งสิน้นมุ่งแต่จะไปตามทำลายร่างของมันให้ได้อย่างเดียวเสียงหัวเราะเออย้ยหยันเสียงพูดยั่วด้วยประโยคว่าตามตูมา สูงแก่กล้าริงจงตามตูมาตามมาตามมาเสียงนั้นดังเป็นระยะระยะมันนำล่อเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นเขาเตะี้ยลูกหนึ่งแล้วเขาก็สาวรอยตามไปอย่างไม่ลดละ บริเวณสุดท้ายที่จำได้เป็นยอดเนินลักษณะประหลาดเต็เมไปด้วยโขดหินและไม้ใหญ่ร่างของมันไรหลบวุบังเงาอยู่หลังต้นตะเคียนใหญ่เขาคุ้มเชิงอยู่นานเพราะบริเวณนั้นค่อนข้างโล่งถ้ามันพลูออกเดินผลาจากที่นั่นเมื่อไหร่ก็จะเข้าทางลำไฟฉายและศูนย์ปืนเมื่อนั้นแต่มันก็ไม่พลูออกมา วิธีเดียวเท่านั้นที่เขาจะได้เป้าหมายก็คือเดินอ้อมไปทางอีกด้านหนึ่งเพื่อให้เห็นร่างของมันที่หลบบังอยู่ระหว่างที่ย่องกฤิบอ้อมเพื่อหามุมยิงนั่นเองเขาก็เหยียบลงไปบนกิ่งไม้ผุผุที่ปกคลุมไว้ด้วยใบยไม้แห้งเสียหลักเหยียบอากาศเย็นวาบลงไปร่างกายลอยละลิ่วลงไปสู่ความเวืองวางที่ซ่อน อยู่ใต้ระดับพื้นแล้วความรู้สึกทั้งมวลก็ดับบุบเมื่อสัมผัสครั้งสุดท้ายว่าท้ายทอยกระแทกเข้ากับของแข็งที่รองรับอยู่ด้านล่างพระพิญจะหมดความรู้สึกไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้แต่ขณะที่ได้รู้สึกตัวขึ้นมานี้รู้แต่เพียงว่ามันมืดสนิทนอนแง่หน้ามองขึ้นไปข้างบนก็ไม่เห็นอะไรนอกจากสีดา ง่ายลำดับภาพได้แล้วใช่ไหมว่าเรื่องมันเป็นยังไงไมาอย่างไรปู่ก้องดูเถอะไม่ได้คิดไม่ได้พูดอะไรอีกเลยเสียงที่จำได้ว่าเป็นเสียงของแง่ายก็ถามมาอีกยังกับตัวตนของเจ้าอาดีตรอยโทรกองโจรกระเหรี่ยงผู้นั้นมาอยู่ใกล้ๆกล้นี่แหลอกหลอนฉันเหมือนผีป่านะแง่รายที่ฉันยังไม่ได้นึกถึงแก ยังไม่ได้พูดอะไรกับแกบสักคำแกก็พูดกับฉันมาเองอ้าวก็รู้ผู้กองเหงาที่ต้องมานอนแง่แก่อยู่ในหิวนี่คนเดียวไงก็เลยชวนคุยนี่ถ้ามีแม่มสาวสวยหนคนใดคนหนึ่งมาอยู่กับผู้กองตอนนี้ด้วยโฮ้ยไม่เสือกโหลกมาคุยด้วยหรอนี่อย่ามายั่วโทรศัพท์ฉันดีกว่าแค่นึกว่าฉันมีอะไรกับแม่มสองคนนะั่นนึงไงเอาละถามนี่ก็ดีละ ผู้กองมีอะไรก็แหม่มที่ร่วมทางมาด้วยป่ะโดยเฉพาะแม่ผมสีแดงเนะี่ยตอนหัวขัามนี่บนหน้าผานอนตอนที่ขึ้นไปเยี่ยมเจ้าเสะอเอิงด้วยกันนะ่ะรับพินสะอึกปวดจี๊ดขึ้นมากลางหัวอกอีกเอามือทั้งสองกลุ่มไว้แง่ท า, ายผู้มีแต่เสียงหัวเราะแผ่วเบา <c oughs> นี่ผมไม่ได้โทษผู้กองหรอกถึงนายหญิงจะรู้เธอก็คงไม่ประนามผู้กองเหมือนกัน เพราะมันเป็นอุบัตวิวาเหตุสุดวิสัยน่าเห็นใจว่าแต่ระวังอย่าให้มันเกิดซ้ำึ้นอีกก็แล้วกันผู้ ก, ก, ก, กองผลข่งการพลาดสัจจะทําผิดเจตนาลมของตัวเองที่ตั้งไว้นี่ไงคือนี่ผู้กองถึงได้เคราะห์ร้ายจนเกือบถึงชีวิตเี่ทรายฉันจะไม่กลับไปให้นายหญิงของแกเห็นหน้าอีกแล้วและชีวิตของฉันก็คงไม่ตลอดรอดฟังรอกในการเดินทางครั้งนี้มันอาจจะดับสิ้นตรงตรงนี้ที่นี่ ก็ได้เขารำพึงเศร้าๆผู้กองนายหญิงเขายังรักผู้กองอยู่นารักยิ่งกว่าชีวิตของเธอเองและเธอก็พร้อมที่จะอาภัยให้ผู้กองในทุกกรณีผู้กองนายใจร้ายมากนะแต่หากไม่คิดที่จะให้เธอได้พบเห็นหน้าอีกแค่เรื่องแค่นี้ผู้กองอย่ามาคิดเศร้าหรือถือเป็นบาปผิดอะไรจนถึงกับจะต้องหนีหน้านายหญิงตลอดไป ผมพูดเล่นนะแถมแม่ผมทองคนสวยจัดนั่นให้อีกคนด้วยอ่ะตามสบายไม่มีใครก็ว่าอะไรหรอกผูกอง น, นี่ประเดี๋ยวไก่สังสางหน่อยแม่ชมงานทั้งสองคนนั่นกระปักพวกก็คงตามมาพบาะผู้กองเองแหละตอนนี้ก็ทนนอนเปลธรรมชาติในหิวนี่ไปก่อนนี่บอกให้แลยก่อนอย่าพยายามพลิกตัวไปทางขวามือนะจะร่วงลงไปอีกอะคราวนี้ต่อให้สิทธิ์มีครูมีอาจารย์ดีสแค่ไหน ก็กระดูกออกนอกเนื้อแน่และจะหาว่าแง่าสายไม่เตือนไม่ได้นะพวกเขาจะตามมางั้นเหรอเอาถามพี่ลึกผู้ ก, กองเนี่ยใครก็จะปล่อยผู้กองสาบสูญไม่เฉยเฉยในเมื่อผู้กองมี็นกำลังสำคัญในการเดินทางของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ผมสีทองตาสีฟ้านรู้บ่าเขาห่วงผู้กองมากกว่าแม่ผมแดงนี เกิดเป็นชายชาติทั้งทีก็อยากให้เสียเหลี่ยมเชิงชายนะผู้กองนะ้าอาวอาไอ้เปรตคราวนี้ทำไมถึงยุ่งเงี้ยนี่จะมองเห็นตัวกะละพอติจริงๆด้วยนะโถผู้กองกำลังจะขยับขยื่นตัวเองตอนนี้ก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วยังจะคิดเตะงงาซ้ายอีกเอา้านอนฝันอะไรไปก่อนคนเดียวผมไปอะ่ะเฮ้ยเย เ, ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไป อะไรกล่ะผู้กองไรเฟินกับไฟฉายยังอยู่ที่ไหนฮะเฮ้ยเอาตัวเองให้รอดซะก่อนเถอะอีโธคิดถึงก็ไฟฉายปืนด้วยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยโ น, น่นปืนน่ะหล่นลงไปคาอยู่กับซอกขิงเง้างล่างโ น, น่นยังไม่ถึงจะชำรุดเสียหายหรอกแต่ไฟฉายน่ะลงก้นเหวเละไปหมดละออกฉ ล, ลาดปราดเปลืองได้สากระพัดบทจะเข่าขึ้นมาก็เข่าจะมุดเลยผู้กองนี่ มีอย่างนะปล่อยให้ไอ้มันไรในซากใหม่หล่อมาลงเหิวซะนี่รู้ไหมพอผู้กองมานอนสรุปอยู่ในเหวเนี่ยทางด้านแคมป์น่ะเขาเกิดอะไรขึ้นมั่งพวกมันก็ฉวยโอกาสบุกเข้าไปตอนผู้กองไม่อยู่แหลกพหน้าศไปหมดทั้งแคมป์แล้วโชคดีนะผู้กองที่ไม่มีใครตายหนีขึ้นหน้าผากันทันระพิงใจหายว่าฮึจริงเหรอแง่ทราย เอาไว้พบหน้ากันก็ลองสอบถามมันเองฮะพวกนั้นนะครั้งแรกก็ด่าพ่อล่อแม่ผู้กองระงมกันไปหมดแล้วอยู่ๆก็หายหัวไปแต่เดี๋ยวนี้อะนะกําลังตะลีตะเหลือตามผู้กองอยู่ทุกคนนะเขานี่ก็ผู้กองตายไปแล้วแม้แต่ไอ้ลูกน้องสี่คนของผู้กองเองก็เหอะนี่ทาไมแกไม่ช่วยทักทวงหรือสกัดกั้นชันไว้ก่อนที่จะพลาดท่าเสียทีมันะฮะแหน่ทรายอ้าวช่วยทำไม รอยเจ็บตัวจัมั่งยีอยากผิดศักดิ์นายหญิงของผมเนี่ยแทนใหญ่ถอนใจลึกหลับตาลงและทันทีที่เขาหลับตานั่นเองภาพของอดีตแงซายก็ปรากฏเด่นทันทีเจ้ากระเหลียงโดงโฉมงามนั่งอยู่บนชะง่อนหินเหนือระดับที่เขานอนติดข่ายเถาวันขึ้นไปผมยิ้มเอาศอกเท้ากับเขา่าแล้ววางคางลงกับฝ่ามือ กำลังมองมาที่เขาด้วยประกายตาคมเปล่านามซึ้งเหมือนในตาของผู้หญิงอันเป็นบุ ค, คลิกเดิมๆที่เขาเคยเห็นความจริงมันเป็นความมืดมิดแต่เขาเห็นภาพนั้นได้ยังไงก็ไม่อาจจะบอกถูกฉันเห็นแกนแล้วละแง่ใส่ก็ควรจะเห็นนะถ้าผูกกองยังระลึกถึงผมอยู่ช่วยหน่อยสิไอ้น้องชาย จะช่วยอะไรล่ะผู้กองก็หาทางให้ฉันขึ้นไปจากเขวนี้ให้ได้ไงเอ๊เห็นจะไม่ใช่หนา้าที่ของผมนะอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะจนกว่านายจ้างของผู้กองจะตามมาพบหรือถ้ายังตามไม่พบพอสว่างให้มีแสงสักหน่อยนึงผู้กองก็หาทางไต่ขึ้นไปเองได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้นี่ไงสายฉันคิดถึงนายหญิงของแกเหลือเกินนะ คิดถึงยนบอกไม่ถูกอยากรู้ว่าขณะนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่คงกำลังมีความสุขอยู่ท่ามกลางยาิพี่น้องมิตรสหายทั้งหลายอะนะคืนนี้นเป็นคืนวันเกิดของเธอซะด้วยโอ้ยังจำวันเกิดของนายหญิงได้อยู่อีกเหรอเนี่ยแกก็รู้นนี่เงี้ยรา ย, ายว่าฉันรักสุภาพสตรีผู้นั้นแค่ไหนเพียงไรรักต่อผู้กอง แต่ผู้กองก็หนีเธอมาซะทั้งๆั้ที่นัดกับเธอไว้แล้วอย่างเงี้อระพินนิ่งน้ำตาสึนทั้งทั้งที่นอนหลับตาอยู่เช่นนั้นกัดกรามแน่งเสียงเงรสายบอกต่อมาว่าถามเหรอถามว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมจับไข้ทุกทรมานหัวใจแทบขาดนอนพนมมือสวดมนต์วิงบอลตามองดูเพดานไม่ได้หลับนอน เธอรู้หมดแล้วละ่ะวาผู้กองอันนี้เธอจริงๆนะผู้กองที่ไม่น่ารักถ้าผมไม่นายหญิงแล้วก็ผมลืมผู้กองไปแล้วจะไปเป็นตายร้ายดียังไงอยู่กลางป่าก็เชิญตามสบายเฮะหาแฟนใหม่ดีกว่าเออแต่จะด่า ว, ว่ายัางไงก็เชิญเฮ้ยสา ย, ายแต่ฉันก็ยังรักเธอรักจนสุดหัวใจรักอย่างบริสุทธิ์ปลุดพองไม่มีอะไรเครือบแฝง แต่ฐานะของฉันอย่างหนึงเธอนี่ยอีกอย่างหนึงเราห่างไกลกันเหลือเกินแต่โถกับมัวแต่คิดอยู่อย่างนี้นะเส้นทางมันถึงไม่มันจบก็สักทีไงทร า, ายฉันอาจตายก่อนตะวันขึ้นร้องเพลงฉันฟังสักเพลงได้ไหมแต่มันคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วนี่เสียงของระพินแหบเครือสลดุด และรันทดเอาผมจะร้องเพลงปล่อมให้ผู้กองนอนนอนเพื่อว่าจะตื่นหรือไม่ตื่นก็สุดแล้วแต่เวรกรรมที่สร้างมาแล้วกันนะเสียงของผมจะก้องขึ้นฟ้าและจะแววไปถึงหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์ในขณะนี้ด้วยมันจะเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ถ่ายทอดออกมาจากหัวใจของนายหญิงในขณะนี้ล่ะฟังนะผู้กอง ฉันกำลังฝักกระพินขยับริมฝีปากหมุกหมิดมือทั้งสองประสานกันบนสวงอกแล้วเพลงบทหนึ่งก็วิเวกกังวานขึ้นเป็นเสียงอันไพเราะของแง่ายที่เขาคุ้นหูมา ก, ก่อนแต่เนื้อความประหลาดสะเทือนใจนะักความว่าโอ้ ใครไหนครวนจนคำ่ำพลอดคำหรือเธอควนใครเธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งใดเธออยู่แห่งไหนห่างไกลหลือไกลเกินห่างอางวางฝันเคยเคียงใกล้เธออยู่ห่างไกล เธออยู่แห่งใดจิตใจไหวหวัน่สวนสวดมนต์ส่งพรวอนฟ้าขอนิทราแนบเธอนิรัน์ถอดหัวใจถ่ายสัมพันธ์ฝากกันสันรุษไทยหวั่นใจขนหนึ่งติดตรึงมั่นในหัวใจ คร่ำครวเธออยู่ไหนเธออยู่แห่งใดถึงไม่คืนมาฝากลมพลิ้วพรมโชยผ่านฝากทานพฤกไพ ร, พรไม้ป่าช่วยกล่อมวิญญาช่วยปลอบที่วาทวินหา เธอดารินวราฤทธิ์ผู้กำลังนอนมองเพดานห้องอยู่คนเดียวในขณะนี้แวววลำนำเพลงนั้นอย่างถนัดโสดทมันลอยมาจากที่ใดยังไงไม่ปรากฏแต่จำกระแสเสียงได้ว่ามันเป็นเสียงของเจ้าคีรีบูลงแงซายหล่อนพลิกตัวความหน้าลงกับหมอนร้องไห้กระสิหมือทั้งสองกำขยุ่มหมอนแน่นแงสาย เอาเพลงที่ไหนมาร้องนี่มันเป็นความรู้สึกจากคู่หัวใจของฉันขนาดนี้เชีนะระพินระพินจ๋าเธออยู่ไหนนี่ระพินใครวันปวดร้าวไปหมดทั้งหัวใจปวดเจ็บยิ่งประภาวะทางร่างกายของเขาในขณะ น, นี้หลายเท่านะตาคงหลับมือประสานวางบนอก เช่นนั้นกระแสเสียงเพลงลึกลับดังแผ่วได้ยินทั้งประสาทหูและในจตสิกสดับเนื้อความได้หมดทุกคำสวดมนต์ส่งพรวอนฟ้าขอนิตราแนบเเทนิรันถอดหัวใจถ่ายสัมพันธ์ ฝากกันสันรืไทยหวั่นใจขนึงติดตรึงมั่นในหัวใจคร่ำครวนเธออยู่ไหนเธออยู่แห่งใดถึงไม่คืนมาชายหนุ่มคู่ตลอดทั้งชีวิตเกิดมาด้วยความอาภัพอับป่าลำบากยากแค้นแสงสาหัส บ, บัดนี้มีรอยยิ้มเศร้าๆจับที่ริมฝีปากอันแห้งผากแตกเป็นกลิตหนาวสะท้านสั่นไปทั้งกายกระซิบพึมพำออกมาว่าผมอยู่นี่ครับคุณหญิงอยู่กลางเหวลึกและกําลังจะตายคงกลับคืนไปไม่ได้อีกแล้วล่ะครับฝากลม พิ้วพรมช่วยผ่านฝากทานพึกไพรไม้ป่าช่วยกล่อมวิญญาช่วยปลอบทิวาทวินหาเธอท่อนหลังของเนื้อเพลงในครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่กระแสเสียงของแง่ทรายซะและ้วแต่ฟังเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่พร่ำวิงบอนฝากสายลมมาแล้วระพินก็หมดสิ้นความรู้สึกทั้งมวลลงอีกครั้งหกสิบบนสันเขาเตี้ยที่คณะติดตามบุกบั่นกันขึ้นมาบัดนี้ฟ้าเริ่มสางพอจะสังเกตเห็นลายมือได้แล้วเมื่ออะไรต่ออะไรสว่างชัดพอจะมองเห็นสิ่งรอบตัวได้ พลาทั้งสี่ของระพินก็กระจายกันออกตรวจหาร่องรอยทันทีโดยไม่จำเป็นจะต้องคอยประกบตัวคุมหลังให้ความปลอดภัยแก่นายจ้างทั้งห้าคนอีกแล้วบุญคำจันเกิดและเสยรุษสาวรอยโดยแยกกันออกไปคนละทางเมื่อถึงบริเวณสูงสุดของเนินเขาลูกนั้นแต่รัศมียังพอเห็นได้คริสตินาและเชิญวุฒเลือกตามหลังไปทางด้านบุญคา ส่วนคีตคู่ไปกระจัน์สแตนลีคู่กระเสยและอิสเบลติดหลังเกิดขณะนั้นมันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาตรงพอดีทางด้านกลุ่มของบุญคำตาแพรนท่ากำลังก้มลงพิจารณาบริเวณกิ่งไม้แห้งผุบริเวณหนึ่งลักษณะมันดูประหลาดออกไปจากพื้นหินปนดินลูกรางธรรมดาเฉิดบุตรก็กระเราะกระ่าเดินล้าหน้าแกออกไปก้าวหนึง่งและทันใดก็เหยียบลื ทำท่าจะขมาหลุดลงไปร้องเสียงหลงด้วยความตกใจบุญคําไวตามสัญชาติยานดั่งเดิมของแกคว้าเข็มขัดด้านหลังไว้ได้ก่อนที่นายทหารหนุ่มจะร่วงลงไปในโพรงข้างล่างทั้งตัวแต่ร่างกายของแกน่ะผอมบางน้ําหนักน้อยกว่าเชิดบุญจึงทําท่าจะดึงหลุดลงไปด้วยกันชักเคเยอร์กันอยู่คริสติน่าแม่นักเคมีฟิสิกส์แต่ความจริงก็คือคอมมานโดที่ผ่านงานมานักต่อ น, นักแล้ว โจรพูดเดียวก็ถึงตัวบุคคลทั้งสองที่กำลังส่งเสียงเอะอะโวยวายอยู่ประชากรไหลเชิดวุฒิพงะหลุดพ้นหลุมออกมาได้บุญคําก็เลยพลอยพ้นออกมาด้วยทั้งสองล้มกลิ้งลงด้วยกันเฮ้ยอะไรกันเสียงคีตและสแตนลีซึ่งเดินตรวจไปคนละด่างร้องตะโกนถามมาอย่างตกใจเมื่อได้ยินเสียงโวยวายของคนกลุ่มนี้คริสตินานั้นไม่พูดอะไรทั้งสิ่งเพียงแต่โบกมือเป็นสัญญาณเรียกทุกคนทันที ส่วนเชิดบุษอุทานออกมาลั่นว่าเฮ้ยโพร่ อ, อะไรวะตอหลุมรอเปล่าบุญคำไม่พูดอะไรเช่นกันแต่คลานเข้าไปที่นั่นอย่างรวดเร็วทำหน้าพิศวงและจัด ก, การรื้อกิ่งไม้แห้งๆที่สูงอยู่เหมือนใครเอามาโปกไว้ออกเชิดวุษกับคริสติน่าก็ช่วยกันอีกสองแรงซึ่งเป็นเวลาที่ทุกคนซึ่งแยกย้ายกันออกไปพรูกันเข้ามามุงรวมกลุ่มส่งเสียงถามแซ่ พอดึงกิ่งไม้แห้งที่ปกคลุมพื้นบริเวณนั้นออกหมดทุกคนก็อุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเหวิวแล้วก็ตะลึงกันไปกึ่งอึดใจบริเวณปากเหวนั้นกว้างประมาณแค่สารปรางเม็รเท่านั้นลักษณะจะเป็นพโพรงหรือรูลงไปใต้ดินเสียมากกว่ารูปเบี้ยวเบียวบูดบูดเหมือนตัวอมีบา้าเป็นช่องทางลึกดิง่งแนวตรง ชนิดติพอมองเห็นก็ใจหายมีแงช่ชะง่อนโคถินพโพระอยู่ตามแนวทางที่ดิ่งลงไปนั้นแสงสว่างในายามเช้าที่ยังไม่กระจ่างนักสองลอดลงไปได้เพียงไม่เกินเจ็ดแปดเมตรเท่านั้นอะไรกันนี่มีเหวอยู่ตรงนี้เหรอสเตลลีครางออกมามีกิ่งไม้แห้งสมปากทางปิดไว้ด้วยนะ ฉันสังเกตแล้วว่าบุญคำกำลังก้มลงตรวจราพิจารณาอยู่ก็พอดีเชิดวุธเดินลำหน้าออกไปก็เลยเกือบพระตกดีว่าช่วยกันฉุดไว้ได้ทันนะคริสติน่าบอกมาโดยเร็ว o มกูเนตเบลุธานแผวตาสีน้ำตาลเบิกกว้างเกิดเซยและจันบางคนทิ้งตัวลงทางภาพบางคนคุกเข่าชะโงโตัวลงไปในโพรงนั้นทันที โอ้โหลึกมองไม่เห็นก้อนเลยมือตือเช้ยเสรยร้องออกมาไหนฉายไฟลงไปสิช่วยกันฉายหลายๆดวงด้วยหัวหน้าคณะออกคำสั่งละลำละละักโยนก้นซิก้าในปากทิ้งทันทีสุดตัวลงคุกเขา่าชะโ ง, งกลงไปดูด้วยแล้วลำไฟฉายเดินป่าขนาดแปดท่อนไม่ต่ำกว่าสีห้าดวงก็พุ่งจ้าลงไป ทันทีที่ลําแสงส่องลงในโพรงหรือเหวนั้นทั้งหมดก็แทบช็อกในสิ่งที่เห็นรบพินนายเฮ้ยนายนอนอยู่ที่นั่นนี่ว่ะต่ำกว่าระดับแง่หินที่โพลเห็นเหลี่ยมน้อยใหญ่และรากไม้ ก, กระเถาววันที่ขึ้นอยู่บริเวณขอบผนังอันชุ่มชื่นเขียวคล้าไปด้วยตะไคร่ ลึกจากปากโพรงที่ทุกคนคุกเข่าชะโงกส่องไฟดูอยู่ในขณะนี้ลงไปประมาณสิบสองสิบสามเมตรร่างของจอมพรานนอนหงายคาติดอยู่กับแง่หินอันดูเป็นลักษณะเหมือนชานที่งอกลำออกมาและสายของเถาวันบนกระรากไม้ร่างของมัดคุเทศนำทางสงบนิ่งไม่ไหวติมือทั้งสองประสานวางกันอยู่บน อ, อก บัดนี้ทุกเสียงกระดมกันตะโกนเรียกลงไปสนันวันไหวโดยเรียกนามของเขาแต่ร่างนั้นไม่ยิงยนคงนอนสงบนิ่งเป็นดุษณีเสียงที่พยายามตะโกนเรียกสงบลงแล้วทุกคนที่ติดตามมาบนปากเขวพูดกันเองจอแจจอกจัดคริสติน่าเม้มริมฝีปากแน่นเหลือบดูหน้าแม่เพื่อนสาวเบ ก็พอดีกับที่แม่ผมแดงจ้องอยู่ก่อนแล้วเบลกระซิบขอให้พระเจ้าคุ้มครองเขาขอให้เขายังมีลมหายใจอย่เถอะคริสติน่าวางเอ็ม16ประจามือลงทันทีปลวจเป้หลังออกอย่างว่องไวดึงสายเชือกไนล่อนประจาตัวออกมาหมุนไปรอบๆแล้วปาดเข้าไปผูกชายด้านหนึ่งด้วยเงื่อนอันแข็งแรง ก, กับโคนต้นไม้ขนาดย่อมๆผ่อนสายเชือกมัดโยงไว แล้วตรงมาที่ปากหลุมทันทีทุกคนมองเห็นก็เข้าใจว่าหลอนจะทำอะไรเชิดพุธกับคริสรั้งไหลไว้คริสเธอจะลงไปเหรอยิ่งชาเท่าไหร่โอกาสที่เราจะช่วยเขาก็น้อยลงเท่านั้นถ้าหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่ทุกควรจะให้เชิดวุธหรือฉันลงพร้อมกับพรานคนใดคนหนึ่งนะคิดว่าแต่แม่ผมทองสันสีสักยังเฉียบขาด ให้ไม่ได้เธอกเชิดวุฒินาตัวโ ต, วตวและน้ำหนักก็มากเกินไปไม่สะดวกหรอกส่วนเบนก็ไม่คล่องพอพลาดพลั้งยังไงจะหลุดลงไปจะอีกคนนึงลักษณะที่เขานอนติดง่ายหินอยู่ก็มินเมที่สุดถ้าไม่ระวังให้ดีอาจพลัดหลุดร่วงลงไปอีกก็ได้ทั้งหมดคอยช่วยกันอยู่ข้างบนดีกว่าเอาเชือกประจาตัวออกมาแล้วโรยย่อนตามลงไปหลายเส้นถ้าไม่แน่ใจว่าจะมีแรงฉุดรั้งไว้ได้ ก็ผูกสายเชือกไว้กับต้นไม้ก่อนแล้วคริสติน่าก็หันไปมองรอบๆรอบ้รองบอกเสียงหนักๆว่าบุญคาบุญคาอยู่นี่แล้วแหม่ฉันต้องการให้บุญคาตามฉันลงไปด้วยเราจะได้ช่วยกันลักษณะของเจ้านายบุญคาที่ร้องรอมองเห็นอยู่นี่ถ้าไม่สลบก็ตายแล้วแต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนเราจะเอาเขาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ บุญคำลงไปช่วยกระชั้นสองคนส่วนคนอื่นๆขอให้การช่วยเหลืออยู่บนนี้แล้วกันในภาวะคับขันเช่นนี้คริสติน่าตัดสินใจได้รวดเร็วและฉับไวสุดขีดดรสแตลลีผู้เป็นหัวหน้าคณะคิดสระตะแล้วก็พยักหน้าอนุญาตเพราะไม่เห็นว่าจะมีใครเหมาะสมไปกว่าอีกแล้วตกลงคริสเธอก บ, บุญคำลงไปพวกเราจะคอยช่วยอยู่บนนี้เดี๋ยว งั้นให้บุญคำย่อนตัวล่วงหน้าลงไปก่อนดีกว่าแมมแมแมคอยตามหลังบุญคำลงไปตะเท่าบอกเร็วหรือหน้าตาแกซีบเผื่ด เ, เหมือนเหมือนกับทุกๆุกคนในขณะนี้เล่นไปเอาสายเชือกอีกเส้นหนึ่งของแกเองผูกกรแง่หินอีกด้านหนึ่งตรงข้ามกับต้นไม้ที่คริสติน่าผูกไว้ก่อนและจากนั้นแกก็ปราดเข้ามาทันทีวางไรเฟิลประจมือฝากไว้กับพวกนั้นเอาอยัางไงแมม มันนัด ก, กันให้เข้าใจซะก่อนดีกว่าบุญคำหย่อนตัวลงไปและล้าลงไปในระดับที่ต่ากว่าบริเวณที่ระพินนอนติดค้างอยู่ตรงนั้นคอยหาทางประคองไว้ถ้าหากว่าเขาจะร่วงหลุดจากแง่หินตรงนั้นลงไปอีกในระหว่างที่ฉันผูกเชือกรัดตัวเขาไว้เพื่อให้พวกข้างบนชักรอกหิ้วขึ้นมาตอนลงพยายามอย่าให้กระทบกับบริเวณที่ระพินนอนอยู่เลยนะ โดยหลีกไปทางช่องว่างอีกด้านหนึง่งฉันก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเพิ่มน้ําหนักอีกนิดเดียวเถาวันที่รองรับเขาอยู่ครึ่งตัวน่ะจะทานน้าหนักไหวไหมตกลงตาม น, นี้แล้วกันแม่ตาเท่าบอกสั้นๆแล้วโรยตัวลงไปทันทีอย่างระมัดระวังตัวแกน่ะเล็กอยู่แล้วจึงคล่องที่สุดประกอบกระทางลงก็ไม่ได้ยากลําบากนะักเพราะผนังทุกด้านของปล่องเหวประหลาดมีรากไม้และแง่หิน หลวกมาให้อาศัยเหยียบพักตัวได้เป็นระยะๆคริสติน่ามีปืนพกเพียงกระบอกเดียวร้อยตัวตามลงไปเป็นคนที่สองในขณะที่สเตนลีย์สั่งให้คนอื่นๆช่วยสองไฟลงไปตัวเขาเองคิดและเชิดวุฒเอาเชือกประจําตัวย่อนตามเป็นพี่เลี้ยงลงไปอีกถึงสมเส้นระวังตัวนะคริสตรวจสอบด้วยว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า บอกขึ้นไหมเรารู้ตัวก่อนนะก่อนที่จะผูกเชือกติดตัวเขาให้เราฉุดขึ้นมาเสียงเบนตะโกนบอกลงไปด้วยภ า, าษาอังกฤษเพื่อไม่ให้พลานพื้นเมืองเข้าใจและตัวเองก็ชะโงกมองตามเพื่อนสาวกระบุนคำลงไปด้วยหัวใจที่เต้นแรงสเตนลีย์เอามือขยี้ปลายคางตาจับเขมิงลงไปเบื้องล่างซึ่งเห็นอะไรไม่ชัดนะักแม้จะมีไฟฉายสองนอยู่เพราะเหลี่ยมหินและรากไม้บงัง มายังไงมายังไงกันนี่พอเจ้าพระคุณถึงได้มาเดินลงเหวซะง่ายง่ายแบบนี้ก่อนจะหล่นลงไปนอนแผยอยู่ตรงนั้นก็ต้องกระทบแงหินระลงไปตามลำดับทีเดียวถ้าไม่ตายก็ค้างเหลืองอะระพินจะต้องติดตามอะไรมาอย่างแน่นอนเช่ลรเชิดวุธบอกเสียงแหบๆใจร้อนราวกับไฟมั่นมีเหตุดนใจ หรือชักจูงให้เขาต้องตามมาทางด้านนี้และมีกลอนบายดักเขาไว้แล้วปากเหวนี่ตามปกติก็ไม่ได้ปิดอยู่แต่คงมีอะไรสักอย่างหนึง่งเจตนาเอากิ่งไม้แห้งมาปกคลุมปิดไวแล้วพินเดินมาอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เลยพลาตกลงไปผมเองก็เกือบตกลงไปแล้วเหมือนกันนะมัตเกี้ดีวาบุญคำกับคริสติน่าช่วยกันฉุดไว้ทัน ลักษณะเดิมเนาะมันเป็นปล่องเหวธรรมชาติแต่ได้กลายเป็นหลุมพรางล่อระพินไว้ให้เดินมาตกนิ่ใจใจฝ่นไทยก็จะต้องเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าที่กองทัพช้างกับไอ้ผีดิพวกนั้นเข้าโจมตีเราทางด้านโน้นพรามันล่อเข้ามาตกลงเหวได้สำเร็จพวกมันก็บุกเข้าโจมตีเราทางด้านโน้นไอ้ผีนรกสรัพ์คิดสบุในภาษาของตน ไปออกมาได้ความในทํานองนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะ่ะดีไม่ดีตายไปแล้วปะเดี๋ยวคริสตรงไปดูก็รู้่พรานของระพินอีกสามคนคือจันเสยและเกิดไม่มีใครปริปากพูดคำใดเลยอากาศทุ่งเช้าเย็นฉ่ำชื่นแต่ทุกคนยามนี้เงือแตกพลัก